สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎข้อที่13นะครับก็คือกฎแห่งความสมดุลในหนังสือ20กฎทองคำของศาสนาจารย์ดรฟลิปเทงและแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักยโยธินพี่น้องครับขอประคุณพระเจ้านะครับเมื่อวานนี้ผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการของหนังสือเล่มนี้ครับ ปรากฏว่ามีพี่น้องที่รักพระเจ้าท่านหนึ่งท่านโทรศัพท์มาหาผมและบอกว่าขอถวายเงินค่าพิมพ์ครับที่จะเพื่อแจกจ่ายหนังสือเล่ม น, นี้ให้ได้ไปสู่มวลประชาชนพี่น้องคริสเตียน ต, ต่อไปต้องขอขอบคุณพระเจ้าและขอขอบคุณพี่น้องท่านนั้นไว้ด้วยแนะโอกาสนี้ครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมา ดูในรายละเอียดกันครับว่าคู่แห่งความสมดุล น, นั้นมันคืออะไรเช้านี้นะครับพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมอิสยาห์พระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อที่2ครับเราจะพบคู่แรกซึ่งได้กล่าวถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญา และความเฉลียวฉลาดขอได้โปรดฟังอีกครั้งครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญาและความเฉลียวฉลาดพี่นงครับแท้จริงแล้วในเรื่องราวเกี่ยวกับสมองและความเข้าใจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้านะครับมีคําอยู่สามคำคำแรกคือความรู้คําที่สองคือความเข้าใจ และคำที่3คือสติปัญญาครับพี่น้องครับเราไปดูกันตั้งแต่พื้นฐานนะครับว่าความรู้ความเข้าใจและสติปัญญานั้นเป็นอย่างไรพี่น้องครับความรู้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างต่างข้อมูลเบื้องต้นต่างต่างนะครับซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่9ข้อที่10บทที่18ข้อที่ 15, ในพระคัมภีร์ใหม่ก็ปรากฏอยู่ในโคโรสีบทที่2ข้อที่8และ1นึ่ทิโมธีบทที่2ข้อที่4ตรงนี้นะครับทุกแห่งเลยก็จะเขียนใช้คําว่า knowledge ความรู้ครับส่วนความเข้าใจนะครับมีความหมายถึงว่าสามารถที่จะตีความหมายความรู้ตีความหมายแปลความหมายข้อเท็จจริงแปลความหมายข้อมูลที่มีอยู่ได้ ใ น, นอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสะดุดีบทที่ 119, 130สุบ้าข้อสาิตสุภาษิตบทที่ 3, ข้อที่5ถึงข้อที่7และในสุภาษิตครับก็มีหลายหลายตอนในพระคัมภีร์ใหม่ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมฟลิปปีบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่10อันนี้พูดถึงเรื่องของความเข้าใจซึ่งเป็นความสามารถในการแปลความหมายส่วนคำที่3ครับคือคำว่าสติปัญญา คือมีความหมายว่ารู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับความเข้าใจข้อเท็จจริงและสถานการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่แข้อที่หนึ่งและพระธรรมยอนบทที่3ข้อที่17พี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าความรู้มันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงมันเรื่องของข้อมูล ภาษาอังกฤษก็มักจะใช้คาว่า data หรือ information นะครับอันนั้นคือความรู้ความรู้นั้นอยู่ในสมองครับต้องใช้ความจำเป็นตัวเก็บความรู้คนที่สามารถรวบรวมจดจำและเข้าถึงข้อมูลมีข้อมูลอยู่ในมือนั่นแหละครับเป็นคนที่มีความรู้ความรู้ภาษาอังกฤษใช้ยกว่า knowledge นะครับ แต่เป็นไปได้ครับที่คนคนหนึ่งจะมีความรู้แต่อาจจะไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจและขาดสติปัญญาบางคนอาจจะมีข้อเท็จจริงบางคนอาจจะมี d ata มี information แต่ไม่รู้ว่าจะทำไงต่อไปและไม่ทราบความหมายของมันคนที่มีความเข้าใจเท่านั้นครับถึงจะสามารถดึงความหมายออกจากข้อมูลต่างๆได้ เพราะว่าพวกเขามองเห็นข้อมูลและเห็นถึงการเรียกว่าดินามิกของข้อมูลก็คือพลวัตของข้อมูลพลวัตที่ข้อมูลจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตชีวิตของคนเรานั้นมีพลวัตครับมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาภาษาอังกฤษใช้คาว่าด y นามิกออฟไลฟ์ก็คือว่าเป็นการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาคนที่มีความเข้าใจก็จะสามารถดึงความหมายออกจากสิ่งที่เขารู้และทำความเข้าใจกับมันมีคนบอกครับว่าความเข้าใจนั้นคือเบื้องเสมือนกับแว่นตาหรือเลนส์ครับที่นำข้อเท็จจริงนั้นไปสู่การโฟกัสที่คมชัดและเกิดหลักการขึ้นมาได้สามารถสรุปหลักการต่างๆในการดาเนินชีวิตได้ นันต่อไปก็คือคนที่มีสติปัญญาครับคำว่าสติปัญญานั้นก็มีความหมายว่าเขารู้ว่าจะทำไงต่อไปและจะทำไงให้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบข้างนั้นซึ่งได้แปลความหมายก็นำไปใช้ได้ครับแปลความหมายโดยความเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญานี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่พระกัมภีบอกว่ามีพระเจ้านะครับเป็นบ่อกเกิด ของสติปัญญาพี่น้องครับเราอาจจะทำความเข้าใจได้โดยปาสจากสติปัญญาได้ครับทำให้คนคนนั้นมันลังเลครับทำให้คนคนนั้นก็รู้สึกว่าไม่กล้าแต่ความคิดก็คือว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นมีความเข้าใจมีความเข้าใจแต่ว่าไม่มีสติปัญญาเขาก็ไม่กล้าที่จะ ทำต่อไปไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ขึ้นมาคนที่มีสติปัญญาเท่านั้นครับเขารู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปการมีสติปัญญานั้นทำให้เกิดการฟันธงเกิดการเลือกเกิดการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีอยู่และการตัดสินใจของเขานั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีด้วย พี่น้องครับในทางตนข้ามครับอาจจะมีหลายคนที่มีความรู้และมีความเข้าใจที่ดีแต่มักทำผิดครับชาลส์เปอร์เจียนนั้นเคยเขียนว่าอย่างนี้ครับว่าสติปัญญาคือการรู้จักใช้ความรู้อย่างถูกต้องหลายคนนะครับก็รู้เรื่องมากแต่เป็นคนโง่นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ความรู้และนำมาแปลความหมาย ในขณะเดียวกันครับหลายละคนที่สามารถแปลความหมายได้แต่ชีวิตไม่เจริญชีวิตไม่เข้าเป้าเชื่อทีเพราะว่าเขาไม่มีโฟกัสเขาไม่มีความตัดสินใจที่ถูกต้องนั่นแหละครับคือสติปัญญาพี่น้องครับความรู้นั้นก็หมายถึงข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลหมายถึงหน่วยความจำซึ่งคนที่มีความรู้เขาเรียกว่านักวิชาการครับ แต่คนที่มีความเข้าใจเขาจะนําข้อเท็จจริงนั้นไปสู่ความหมายเขาจะนําข้อมูลไปสรุปเป็นหลักการและเขาจะนําความจําของเขาออกมาให้เกิดเหตุเกิดผลคนที่มีความเข้าใจนะครับวิชาชีพที่มักจะมีอยู่ก็คือชัดเจนคือพวกครูบาอาจารย์พวกคนที่สั่งสอน คนที่เทศนาคนที่ใช้พราชนะของพระเจ้าและสิ่งสุดท้ายครับก็คือสติปัญญาสติปัญญานั้นก็เรียกว่าเป็นความฉลาดในการดาเนินชีวิตครับจากข้อเท็จจริงนั้นคนที่มีความเข้าใจก็จะนาไปตีความหมายแปลความหมายออกมาได้แต่คนที่มีสติปัญญานั้นเขาจะไปถึงจุดที่ว่าเขาจะต้องทำอะไรต่อไปอย่างไร ในขณะที่ความรู้นั้นเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆแต่คนที่มีความเข้าใจนั้นก็จะสามารถสรุปหลักการคนที่มีสถิยปัญญานะครับก็เขาจะนำไปใช้ได้แอปพลิเคชันคนที่มีความรู้นั้นเขาก็มีหน่วยความจำในสมองเยอะแต่คนที่มีความเข้าใจนั้นก็สามารถที่จะจากหน่วยความจำต่างๆเหล่านั้นสร้างเหตุสร้างผลขึ้นมาเกิดหลักการขึ้นมา แต่คนที่มีสติปัญญานั้นเขาไปถึงการกระทำครับนอกจากว่าเขาแอพพลายแล้วเขาสามารถมีการกระทำอย่างถูกต้องชอบทำได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความเฉลยฉลาดนะครับก็คือเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีงามความงดงามพี่น้องครับพระเจ้านั้นโปร่ง ปรารถนาที่จะประทานทั้งความรู้ความเข้าใจและสติปัญญาครับการเป็นสาวกหมายความว่าตามตัวอักษรคือผู้เรียนนะครับแต่การเป็นสาวกที่แท้จริงนั้นต้องมาถึงสาวกที่มีสติปัญญาคือเรียนรู้แล้วมีความเข้าใจแล้วสามารถปฏิบัติได้โดยการสร้างสาวกต่อไปพี่น้องครับ อซีสปาวได้เขียนไว้ครับว่าพระเจ้าของเราเรียกร้องให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในพระวจนะของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องสาวกของพระเยซูนั้นไม่ได้ตกใจในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเขาได้ทําให้การแสวงหาความเข้าใจเกิดสติปัญญาในชีวิตของเขาที่เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องหลัก เป็นเรื่องหลักพี่น้องครับสาวกของพระเยซูนั้นมีความเข้าใจและมีสติปัญญาต่อพระเจนะของพระเจ้าและรู้ว่าการแสวงหาความเข้าใจและสติปัญญาจากพระเจนะของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องหลักในชีวิตของเขาขอพระเจ้าช่วยเราในครับในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาพระเจนะของพระเจ้าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากเรียนรู้นั้นเราจะพัฒนาไปถึงความเข้าใจ เราเห็นหลักการเราเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่แต่สิ่งที่สาคัญครับก็คือขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราในการที่เราจะเอาความรู้นั้นมาใช้เอาความรู้นั้นออกไปทาการของพระเจ้าคือการเป็นสาวกและสร้างสาวกต่อไปครับอาเมน